ตอนที่16ได้งานทำแล้วฉันบอกให้พี่ไปตามเอาเงินคืนมาจากหลีชิงผิงแต่เขาไม่ยอมไปบ้านเราไม่มีเงินแล้วแม่จะเอาอะไรมาซื้อนาฬิกาข้อมือให้ฉันละ่ะโจชุนหงกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์แกก็รู้ว่าพี่ชายแกเป็นคนนิสัยยังเงินที่เขาให้ไปแล้วไม่มีทางทวงคืนมาหรอกเรื่องนี้เราสองคนแม่ลูกต้องช่วยกันคิดหาทางเองหนิวซูเฟินกดเสียงต่เตือนโจชุนหงไม่ให้พูดจาอะไรที่ทาให้โจเจี้ยนเย่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาอีก ต่อหน้าพี่ชายแกเราต้องยินกรานเสียงแข็งว่าหลีชิงพิงหนีตามผู้ชายอื่นเป็นมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่พี่ชายแกจะยอมแต่งงานกับเคอเคอรอย่างสบายใจตอนนี้เรื่องสําคัญที่สุดของบ้านเราคือการให้พี่ชายแกแต่งเมียเข้าใจไหมตอนนี้หลีชิงพิงหนีเข้าเมืองไปแล้วไม่ยังจะมีปัญญาทําอะไรได้อีกหรือว่าพวกนางต้องตามเข้าไปทวงเงินในเมืองด้วยโจชุนหงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมจริงนักทุกปัญหา ย, ย่อมมีทางออกเสมอจะรีบร้อนไปทําไม สิ่งเดียวที่หนิวซูเฟินมั่นใจในตอนนี้คือเงินยังคงอยู่ที่หลีชิงผิงซึ่งถือเป็นข่าวดีนั่นแสดงว่านางผู้หญิงคนนั้นยังไม่โง่พอที่จะเอาเงินไปประเคนให้บ้านเดิมของนางฟรีฟรียิ่งไปกว่านั้นถึงตอนนั้นจะทวงเงินสองพันหยวนนั่นคืนมาไม่ได้แต่ขอแค่พี่ชายแกได้แต่งงานกับเคอร์เคอมาเป็นที่สะพายบ้านเราอยากได้เงินเท่าไหร่ก็ย่อมมีอย่าว่าแต่นาฬิกาเรียนเดียวเลยแม่จะซื้อให้แกสองเรือนยิงได้หนิวซูเฟิร์นแค่นเสียงเหอะแกนั่งยังเด็กเกินนนนนไไปปสใใจแตต่ผลรรรระะโยยยช์งหห้้้้าคออเเีีวูวดถ เมื่อได้ยินแม่พูดเช่นนั้นโจชุนหงก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ยังดีถ้าว่านางหลีชิงผิงนั่นสมควรตายจริงๆกล้าหอบเงินตั้งสองพันหยวนหนีไปไม่กลัวจะเจอโจรปล้นกลางทางจนตัวเปล่าลบเลยบ้างหรือไงนาะเมืองจริงเอกสารอสังหาริมทรัพย์ของหลีชิงผิงจัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถย้ายทะเบียนบ้านจากบ้านเกิดมาได้เลย เพราะว่าปัจจุบันทะเบียนบ้านของสองแม่ลูกยังติดอยู่ที่ตระกูลโจซึ่งหมายความว่านางยังต้องติดต่อสื่อสารกับโจเจี้ยนเยี่เราจนกว่าจะจัดการเรื่องทะเบียนบ้านเสร็จสิ้นเรื่องการเข้าโรงเรียนของลูกสาวก็จะได้รับการจัดการตามไปด้วยในช่วงไม่กี่วันที่หลีชิงถิงย้ายเข้ามานางค่อยๆทยอยซื้อของเข้าบ้านจัดแจงบ้านหลังเล็กๆจนดูอบอุ่นมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้นางประหนักได้ว่าเมืองจริงนั้นใช้เงินเหมือนน้าไหลจริงๆเงินในมือมีแต่ไหลออกไม่มีไหลเข้า หลีชิงพิงคจะออกไปหางานทำพอดีกับที่หลีหวานว่างอยู่บ้านจึงขอตามแม่ไปด้วยสถานที่ทำงานควรจะอยู่ใกล้บ้านหน่อยเพื่อที่จะได้สะดวกในการดูแลหลีหวานแน่นอนว่าหลีหวานบอกว่านางดูแลตัวเองได้แต่หลีชิงพิงก็ยังไม่วางใจอยู่ดีนางไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีทักษะฝีมือการจะหางานที่เหมาะสมจึงยากเย็นแสนเข็น สองแม่ลูกเดินเตรหาอยู่ทั้งเช้าแต่ก็ไร้วิแววหลีชิงถิงพันตรหนักได้ว่านางมองโลกในแง่ดีเกินไปดูถ้าคงต้องยอมลดมาตรฐานลงบ้างแล้วเมื่อเดินมาถึงหน้าหน้าอาหารของรัฐก็เป็นเวลาอาหารพอดีหลีหวานลูกท้องตัวเองแม่จะเราสองคนกินบะหมี่กันก่อนดีไหมพอกินอิ่มแล้วค่อยหาต่อหลีชิงพิงเป็นคนประเภทที่ยอมลำบากเองแต่ไม่ยอมให้ลูกสาวลำบากเมื่อลูกสาวบอกว่าอยากกินข้าวนางก็ตกลงทันที โยผูมี่งของร้านอาหารของรัฐถือเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านพวกนางสั่งมาคนละชามรสชาตินั้นหอมหวนติดจมูกติดเพียงแค่เผ็ดไปสักหน่อยหลหวันกินอาหารรสจืดชืดมาหลายวันคลิกในมื้อเที่ยงวันนี้จึงช่วยให้เจริญอาหารได้ดีนักเมื่อจ่ายค่าบะหมี่สองชามไปหลีชิงผิงก็รู้สึกปวดใจเพราะเงินในมือยิ่งเหลือน้อยลงไปอีออ้าวพนักงานไปไหนหมดไม่เห็นหรือไงว่าแขกสองโต้นั้นไปกันหมดแล้วรีบมาเก็บถ้วยชามสีไม่ยอย่างนั้นเดี๋ยวแขกมาจะให้นั่งตรงไหน ในร้านตอนนี้ยุ่งมากครับทุกคนกําลังวุ่นอยู่ในห้องครัวผมจะรีบตามคนมาทําความสะอาดเดี๋ยวนี้ครับเร็วเข้าเร็วๆ เ, เลยเท่าแก่โบกมืออย่างรําคาญใจนี่มันเสียเวลาทำมาหากินชัดๆเท่าแก่คะดวงตาของหลีหวานเป็นประกายที่ร้านของท่านขาดพนักงานเสิร์ฟหรือเปล่าคะอึมดูจากสภาพตอนนี้ก็ขาดนั่นแหละชายคนนั้นเท้าเสเอลมองดูงานที่สั่งไปแต่ยังไม่มีใครมาทำความสะอาดจึงเริ่มร้อนใจเร็วหน่อย เท่าแกข่ขะ ง, งานั้นพวกเราขอสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟได้ไหมคะเริ่มงานได้วันนี้เลยชายคนนั้นมองหลีหวานเธอหรือแม่หนูที่นี่เราไม่อนุญาตให้เด็กทํางานหรอกนะแต่คําพูดของเธอเมื่อกี้ตวนใจฉันได้ดีเดียวฉันจะไปเขียนประกาศรับสมัครงานเสียหน่อยไม่ใช่หนูหรอกค่แต่เป็นแม่ของหนูเมื่อหลีหวานพูดจบหลีชิงพิงก็เริ่มได้สติเท่าแก่ข้ฉันเป็นคนทํางานขยันขันแข็งมากถ้าท่านไม่วางใจจะลองดูฝีมือการทํางานของฉันก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่ ชายคนนั้นกวาดสายตามองลีชิงผิงตั้งแต่หัวจระรดเท้ารู้ว่าสองแม่ลูกคู่นี้เพิ่งจะมากินข้าวเมื่อครูในเมื่อที่ร้านขาดคนพอดีลองดูก็ไม่เสียหายตกลงลองทำดูก่อนแล้วกันถ้าทำได้ดีเงินเดือนเดือนละสิห้ยวนหยุดได้อาทิตย์ละหนึ่งวันแต่ต้องสลับเวรกับพนักงานในร้านเอาเองนะค่าค่าขอบคุณมากค่าเท่าแก่ลีชิงผิงดีใจเป็นล้นพ้นนึกไม่ถึงว่าปัญหาเรื่องงานจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดายเช่นนี้โอกาสมักจะเป็นของคนที่เตรียมพร้อมเสมอจริงๆ โชคดีที่เมื่อกี้ลูกสาวช่วยถามให้หลีวานเห็นว่ากลับไปก็ไม่มีอะไรทำนางจึงอยู่ช่วยหลีชิงผิงทำงานที่ร้านอาหารของรัตตลอดทั้งบ่ายเท่าแก่เห็นว่านางเป็นคนขยันแ ข, นขงง็งจริงๆ จ, ง จ, งจึงถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกและพรุ่งนี้ให้มาทำงานต่อได้เลยงานส่วนใหญ่ในร้านอาหารคือการกวาดพื้นเช็ดโต๊ะและล้างจานหากในห้องครัวยุ่งเกินไปก็ต้องช่วยยกอาหารหรือเตรียมวัตถุดิบเรียกได้ว่าไม่มีเวลาว่างเลย แต่มันก็มีข้อดีคือจะยุ่งแค่ช่วงเวลาอาหารเท่านั้นเวลาปกติที่ไม่ค่อยยุ่มก็สามารถพักผ่อนได้กว่าลีชิงผิงและลูกสาวจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วเมื่อเดินมาเกือบถึงหน้าประตูบ้านนางก็สังเกตเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ที่บันไดาทางขึ้นดึกดื่นป่านนี้จะเป็นใครกันลีชิงผิงรีบดึงลูกสาวมาไว้ข้างหลังส่วนหลีหวานก็ล้วงเอาจอบขุดดินออกมาจากมิติในทันทีในมือมีอาวุธถึงจะไม่รู้สึกหวาดกลัวใครนะ้า มาทำอะไรที่หน้าบ้านฉันน้ำเสียงของลีชิงผิงเต็มไปได้วยความกังวลเจิ้งหยุนชงรีเปิดไฟฉายที่พกติดตัวมาส่องเข้าที่ใบหน้าตัวเองผมเองครับเมื่อได้ยินว่าเป็นเขาสองแม่ลูกจึงค่อยโล่งอกดึกดื่นป่านนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะลีชิงผิงรีบก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเพื่อเปิดประตูผมมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับเห็นว่าพวกคุณไม่อยู่บ้านเลยนั่งรออยู่ที่นี่เจิ้งหยุนชงไม่ได้พูดต่อว่าหากพวกนางยังไม่กลับมา เขาคงจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้ววันนี้พวกเราออกไปหางานธรมชาตโชคดีจริงๆที่ฉันได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารของรัฐลีชิงผิงกล่าวเจิ้งหยุนชงไม่มีทีท่าว่าจะเดินเข้าบ้านเห็นพวกคุณกลับมาปลอดภัยผมก็สบายใจแล้วผมไม่เข้าไปรบกวนหรอกครับแต่คุณต้องกลับดึกแบบนี้ทุกวันเลยหรือเจิ้งหยุนชงขมวดคิ้วทันทีต่อให้คุณจะไม่กลัวระหว่างทางกลับบ้านแต่การให้เสียวันอยู่บ้านคนเดียวจนดึกดื่นแบบนี้เด็กจะหวาดกลัวเอานะครับ ข้าเดิมทีฉันก็อยากหางานที่เลิกงานเร็วหน่อยและอยู่ใกล้บ้านมากกว่านี้แต่ฉันไม่มีวุฒิการศึกษาทั้งยังไม่มีความสามารถอะไรจึงหาได้แค่ ง, งานแบบนี้ฉันไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกค่ะ